ข้อ1ครับส่วนพิสุที่เป็นผู้ว่าญาติสอนญาอันพิสุททั้งหลายกล่าวสอนอยู่ในสิกขาบททั้งหลายที่นับเนื่อมเข้าในปาดิโมโดยคำที่พิสุพึงประพฤติร่วมกันกับคมตนให้เป็นผู้ที่ใครๆว่าสาวไม่ได้อย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายอย่าได้กล่าวอะไร ไม่ว่าดีหรือชั่วกับข้าพเจ้าแม้ข้าพเจ้าก็จักไม่ว่าอะไรอะไรไม่ว่าดีหรือชั่วกับท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงหยุดสังสอนข้าพเจ้าเสียที่สุรูปนั้นเป็นผู้อันพิสุร์ทั้งหลายคืนก่าวสั่งสอนอย่างนี้ว่าท่านอย่าได้ทําตัวเป็นผู้ว่ายากสอนยาก ขอท่านจงทําตัวให้เป็นผู้ว่างง่ายสอนง่าแม้ท่านจงว่าก่าที่สุดทั้งหลายโดยชอบธรรมเป็นที่สุดทั้งหลายเขาจักว่าก่าท่านโดยชอบธรรมด้วยว่าบริสัทธ์ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นบริสัทธ์ที่เจริญได้ด้วยสิอย่างนี้คือ ด้วยการว่าล่าวตัดเตือนซึ่งกรรและกรรด้วยการยังกรรมและกรรมให้ออกจากอาบัติแต่ทิ่สุดนะที<อ>่สุดทั้งหลายเตือนอยู่อย่างนี้ก็ยังยืนการอยู่อย่างนั้นเองทิ่สุดทั้งหลายเป็นส่วนสนุปศานกรรมสามครับแต่ทิกสุนะั้นเพื่อให้ตลาดชีิกรรมนั้น ถ้าว่าที่สุตรนั้นตรงสวดสมาธิฐานฐานก่อนจะพบสามครั้ ง, งจนสละกรรมานนั้นการสละหน้าอย่างนี้เป็นความดีถ้าไม่ยองสละรวมสวดครบสญญามครั้งท่องนามบัตรสัมภารพิเศษนี่นะข้อนี้จะเกี่ยวกับที่สูตรผู้ว่างยากสอง ท่าันหน้านะว่าแยกสองแากยังไงก็คือมีที่สุดทั้งหลายเนี่ยมาว่ากับหลังซีเรียนะครับด้วยสิขาบทบัญญัตินะทีนี้เราจะเจอว่านะครับที่นับเนื้อเข้าในปาฏิโมกข์อาจจะมีข้อสงสัยอ้าวถ้าเป็นสิขาบทนอก ข, าาข้าปาฏิโมกข์หรือข้าวขอนที่้ไหมอจนที่บอกว่านําเนื้อข้าในปาฏิโมกข์ทีเนี่คือสิขาบททั้งหมดนะที่จะมาใ น, นปาฏิโมกข์นอกพับปาฏิโมกข์แล้วแต่ครับ <c oughs> แม้สุดทามบนที่มุมมานอกพระปาติโมกข์นะนอก227ใช่ไหมครับก็ถือว่านับเนื่องเข้าในปาติโมกข์เลยนะครับเพราะในนิทานนิทานมุทเทน่นนะมันจะมีคําถามว่ายะสศะิยาอาปฏิใช่ไหมครับอาบัตมีแก่บุคคลใดบุคคลนั้พึงปิดเผยใช่ไหครับเขาว่าอาบในที่นั้นนะก็คุมอาบัตทุกกองทั้งหมดนะครับเพราะในอาบัตอะไรในปาติโมกข์ไมนไม่มั น, มมนปาฏิโมกข์กน ล, ล้วแต่นะครับ ก็จะนําเนื่อข้อในทั้งเทนทั้งหมดรับเรายอนะหมดเลยนะและศิามทั้งหลายแะได้ได้ชื่อว่าภาษารีเรียกว่านาธรรมนะครับคือเป็นธรรมที่พิสูจ์คือหมดร่วมทางศิาทั้งหลายทุกข้อใช่ไหมต้องบวชต้องศึกษาต้องรักษานะครับเหมือนกันถ้าเรียกว่าศานาธรรมนะอันนี้ถ้าเราฟังเลยนีได้ยู่ธรรนี้นะขึ้นต้นนี้นพิคุปปะเนวทุกประจ่าชาดิโกโหดี อุเทสอะบริยามปเนงจุสิขามเทสุปิทูหีสาธมิจังอุจจัสมาณะอุจจัสมาโนมานะทีสิ่งนี้อุจจมาโนอันที่สุดธิ์ทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ด้วยสิชาบทที่นั่งอย่ข้างในพระปาติโมกใช่ไหมโดยทำที่พิสุขเพื่อรวมกันมีสาวมีนะเท่านั้นนะเนี่ยถ้าอาจจะทำอะไรผิดบางอย่างนะครับที่ในข้อนั้นข้อนี้นะไม่สมควรไปทำนะครับ เรื่องหลายเลยมากมาว่าก่าวตักเตือนด้วยพรมวินัยบัญญัตินะครับท่านก็กลับไม่ยอมนะกลับทำจวนผู้ว่ายากสองอยางนะครับก็ว่าอะไรพวกท่านไม่ต้องมาว่ า, าก่าวอะไรผมหรอกจะเป็นเศงที่ดีหรือไม่ดีไม่ต้องมาว่าเลยแม้ผมก็จะไม่ว่าอะไรท่านตะาคนตายอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะครับหรือบางคนหนักนะลุกหลามผู้จย์นะครับท่านเป็นใคร แล้วผมเป็นใครพื่อาเจอมได้ยังไงลักษณะความสำน้านะท่านท่านจะ ว, ว่ายากนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ยังไงนะอ๋อ น, น, นะครับาก่อนว่ากาไม่ได้นะเมื่อว่า ก, กาไม่ได้อย่างนี้นะครับจะทํำยังไงที่จุดท่องหลายก็ต้องก็งเมื่อข้อเข้อมูลกีนะครับ ชื่อทั้งหลายที่ลูกขาวนะว่าวานี้นะครับมีพ <two needs, S 2> ิสนผู้ว <categor iser> no ่ายากสองย่างเกิดขึ้นนะมีคนมาว่ากัดัดเตสิน้าผมก็ไม่เชื่อฟังก็ต้ว่ากัาตัดเตียนรูนันนะครับที่ท่านแนะนานะท่านจะได้ทาตัวเป็ผู้ว่ายากสองย่างนะว่ากัดตัดเตือนการว่ามันก็คล้ายๆกับเมริกาเลยนะว่ากัดตัเตือนอกวรอบช่งทางสองแล้วก็สูตรมมมี่ผาผาเป็นหนึ่งที่สุดแล้วนะ เขไม่ยอมรับเสจบจบก็จะเป็นอันบัติธานิเศษตอนมนั้นนะครับตอนเนี้ยท่านบอกว่าคเ น, นี้น่าสนใจมากนะครับตรงห้าบรรทัดสุดท้ายนะบอกว่าด้วยว่าบริษัทของผึ้งว่า พ, าะพระองค์นั้นเป็นบริษัทที่จะเดินได้ด้วยอาการอย่างด้วยเหตุอย่างนี้คือด้วยการว่าการตัดเตือนซึ่งการละกันด้วยการยักนการละกันให้ออกเสาร์บกนะครับว่ า, า ก, ก, กล่าวตัดเตือนที่จะละกันเป็นยังไงอธิบายว่า หมายถึงการพ so right? li Clear ูดแนะประโยชน์แจกกรรมละกรรมนี่นะพูดแหนะประโยชน์แจกกรรมละกรรมนี่ไปทําำเป็นวินัยใช่ไหมมาดีเพื่อเราอาจจะไม่รู้นะเพิ่งมาบวชใหม่ใช่ไหมครับหรือไม่ได้ศึกษาคำวินัยให้ดีนะบางสิ่งมันอย่างเขามีนี้เราก็อาศัยความปรุณเมศทางสัลีานะครับชื่อบอกกล่าวแนะนํำสอนนะนะครับแม่เขาก็ว่าเราว่ากล่าวเราได้ใช่ไหมแม่เราก็ว่ากล่าวเขาได้ โดยทย่างที่ไหนนะนะครับนี่ยถ้าเขาจะมีองค์ของอะไรนะองค์ของผู้โจอรถูถุงโจดนี่ครับองผมจำได้ไม่คบอยดีนะแต่จําง่ายๆว่าผู้โจดนะนะต้องมีการหวังประโยชน์นะหวังประโยชน์เข้านะครับไม่ใช่ว่าต้องการสด็จหรือรตัดอานนะครับมีจิตเมตตานะครับหนะวังประโยชน์มีจิตเมตตาแล้วกนะ็พูดคําจริงเป็นต้นน ะ, จ, ะจำได้นะครับ ส่วนผู้ที่สุ่มโจนะครับผู้ที่สุ่มจเนี่ยก็ไม่ควรทีดด่จะโกงนะครับไม่ควนทีดด่จะโกงแล้วก็ตั้งในความจริงนะถ้าสิ่งที่เขามาว่ากับไปเจมเรื่องที่จริงใช่ไหมถ้าเราก็ควรที่จะยอมรับเอแล้วก็พยายามแก้ไขปรับปรุงนในอะไรในในมงคลท่านก็พูดถึงนะว่าพิสูปใดเน์ อ, านอ่าประกาศไปนะครับว่าถ้าผมทําอะไรไม่ถูกไม่ต้องการทางทางวินัยนะ ให้มาบ้างการัดเติมได้เลยครับแต่แล้วมีคุณมาว่างการตัดเติมตัวเองจริงไม่ชอบไม่อยอมนะครับไม่รับโอว่างโดยขอรับท่านนี้ไม่รับโอว่างโดยด้ยวนขวาคือไม่รับโว่างโดยขอรับนะครับที่สูดนี้ก็เชื่อผู้ว่ายานะครับอันที่พูดออกไปประกาศกระทำกลางสงนะข้าพเจ้าสีสีปากกล้าไปอย่างนี้นแต่ความจริงเลยผู้ว่ายานะครับแต่ที่สุดลูกในถึงไม่ได้ประกาศออกไปอย่างนั้นนะครับ แต่เวลามีาม า, าว่ามาแนะนำเรื่องมองเรื่นี้ น, น, น, นะตัวเองก็ยอมรับเลยดีเลขอบอกนะครับคนนั้นน่ะเชื่อ ว, ว่าว่าง่ายจริงนะเพราะนั้นตอนนี้ไม่ได้อที่ลูแบบใช่ไครับตอยู่ที่ตัวให้จริงว่าเป็นยังไงตอนนี้ผมบ่นมาใหม่มมท่านข้ามาบอกว่านี่ตอนาานี้ท่ามาสารน้อยนิดถ้ามใครว่ากระดาษเตือนอ่ะให้รับฟังอะไรนะอยูส่สารมาเมกเนี่ยอะไรเหมกั ใครจะมาว่ า, ต า, <c oughs> า, าตกาาาต่างเตือนไม่ได้นะเรี๋ยวจะมีใครมาว่าคำก้าวมาว่ากัต่างเตือนานี้นะพวกภาษาเยอะนครับคาจะไม่ได้หาอย่างนะเพราะบางทีถ้าเราเขไม่บอกเราเราก็ไม่รู้นะแี่พ่อเขียนเนี่ยวินัยบ้านธรรมะบ้างตอนนีถึงสมัยผมเป็นเนน่ยผมใช้บไม่เป็นครับหัาบาปใสย่ยาแล้วก็ไปแขวน <c oughs> แขวไม่ที่เสามันจะมีอะไรง่ายขึ้มานะข้อแขวไว้บางเป็นแขวนนั้นอย่าง้นไม่ได้ใช่ไีมับทีวพนยพราะวามาตั้งนานมีใครบอกนะทมาตั้งนานแล้วไม่มีใครบอกนะแล้วมันก็ไม่รู้ไปเลยอบนนั้นนะตอมเราไม่รู้เลยรัู้ได้ตอนเราปัญหาหรือว่ได้ฟังนะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเขาตั้งปัญหอะไรกัจารนะครับก็จะรู้ตากนั้นแล้วก็มีท่าภาษามางๆเหมือนกันมะที่วัดนั้นนะ เราก็จะเสนอเองเราก็ไม่กล้าว่าท่านท่านเวลาท่านเปิดประตูใช่ไหมครับมือถือบางก็เปิดประตูเนยก็หัวหมร่อยย่อไม่คาดเดาไม่รู้อะไรนี่ยเนยก็หัวร่องย่อเนี่ยก็ไม่บอกไม่จากานะปล่อยท่านเปิดก็จะเห็นว่าร่องใส่นี่ยนะนี่นะไม่บอกท่านก็ไม่รู้ใช่ไหมอือครับอันนี้อันนี้เป็นเร็งครับเส็จทีหลังก็รู้นะ อันี่จก็พูดแนะนําประโยชน์การแลกการนะครับและก็ยังการแลกการได้ออกอาบัต น, นะเห็นเพื่อนเราต้องอาบัตเขาไม่รู้แล้วก็ไปช่วยนะครับชื่อบอกที่แนะนําครอยได้ไม่ต้องอาบัตนั่นน ะ, นะร่วมแม้เขาออกอต้องอาบัตแล้วแล้วก็พยายามที่จะช่วยนะครับเกิดการอะไรนะไปนอาอับาบนะส่วนกรดีว่ามานะออกทางการแลกแตะนะครับอย่าไปรังเกียจ น, นะอันนี้เป็นการช่วยเหลือกันและคนที่ช่วยเหลือกันอย่างยิ่ง น, นะครับ เราจ่าได้จะเรียนทำนันทนาได้นะอะไรครับไม่ไม่เป็นไรครับนั่นจะปลุกเห้านเข้าใจนะแล้ววันอย่างนงี้นะครับจะจะเรียนทำนันทนา ไ, ได้นครับ อ, อันนี้นะครับได้ได้นะมาครับต่อไปนะครับมาดูต้นมันอย่างเลก็ได้ครับ ต้นมันอย่างนี้มาจากผ้าฉันนะาผ้าฉันหนะ้าตอนสุดท้ายเนีมันดูเป็นผนะ้าละหันนะครับนะขนาดนะก็สั่งสมบารมีมาน่าจะเต็มที่ในภพชาติสุดท้ายเนะี่ยก็ยังเป็นคนอย่างนี้นะเพราะนั้นเราดูแค่รูปแบบใค ย, ยนะั่นแะเลยขึ้นไปดูถูกใครนะข้าจะสั่งสมอะไ ร, รมาแล้วเราก็ไม่รู้นะครับปัญญาสายพยาสายอะไรอย่างนี่นะ บางทีภข้าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าที่ไหนยังแกกล้าอยู่ถึงจะได้สั่งคมมาแต่ว่าแต่ว่ายังมีกิเลตมากตูที่แก่กล้าหนะนะาแน่นข้าก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้นะครับแต่ไม่รู้ความจริงเป็นอย่างไ้นะไม่รู้นนะา้าเรื่องพระฉันน่าท่าบอกว่าโดยสมัยนั้นทุนว่าขภาพระเจ้าประทําอยู่หน้า ข, ข, ขาา้าววิหารโคสิตาราเขตพระนครโคสัมพีเ น, นี่ยข้าก็ได้รับวเออพระฉันน่าเนี่ย รูอสึอ ก, กว่าท่างให่ชอบดูเมร์นี่ยะันโกสามพีนะครับครั้งนั้นท่านท้าบช น, น, นะประพฤติมลายา่าไม่สมควรคือทำอมลายบางอย่างที่มันผิดธรรมนะครับมันเป็นอาบัตนะที่มันผิดวินัยเป็นอาบัตอยู่ที่จุดต้้งหลายกล่าตวตักเตือนอย่างนี้ว่าดูก่อนชั้นนะท่านใหได้การทำอย่างนี้ประพฤติแบบนี้ไม่ควรกล่าวว่ากล่าวตักเตือทนท่านถ้าชนะกล่าวต่อ ว, ว, ว่าดูก่อนดูก่อนท่านตั้งหลาย พวกท่านสาคัญว่าเราเป็นผู้ที่ท่านควว่ากล่าวประนันนึกเราต่างหากควรว่ากล่าวพวกท่านอืมมาว่ากล่าวใครไม่รู้สละเราต่างหากที่จะว่าก่าพวกท่านเนี่ยเพราะว่าพระเจ้าก็ของเราพระธรรมก็ของเราธรรมชาติของเราจะสรุปธรรมอะไรให้พวกเราพวกท่านต่างชื่อจันต่างข้อจันต่างช่างกันต์ตระกูลอันบูรรวมกันอยู่ ดูงกล้าข้างย่างไม้และใบไม้ไมไมแห้งให้อยู่รวมกันหรือดูแม่น้ําที่ไหนมันสั่งภูเขาพักจอบสาหลายและแหนให้อยู่รวมกันฉะนั้นหดูความนิ่งนั่งหลายพวกท่านสําคัญเราสําคัญว่าเราเป็นผู้ที่ท่านควรว่ากล่าวกันนั้นหรือเราต่างหากคนว่ากล่าพวกท่า น, พานพเพราะว่าพระเจ้าพก็ของเราพระธรรมก็ของเราพระรูจ้าของเราจะสรู้ธรรมแหล่ง เ <S an> นี่ยเขาถือว่าพระเจ้าอป็ของเขาเอ้นะเขาบอกในในีการนี้ก็จะอธิบายนะครับว่าตั้งแต่พระเจ้าเสด็จออกหาบิียกตตะคกใหม่ๆใช่ไหมแก่นี่แหละตามเส ด, ด็จนะครับใชหตามเส ด, ดเ็จตอนทรงขึ้นมาใหม่ๆนะแล้วพระองก็ไปปฏิบัติธรรมจนบรรลุเนี่ยนี่พระเจ้าเป็นของเราเนี่ยคำบรรจงของเร า, นะร า, เ, ราเองแล้วก็ทําั้งหลายเนี่ยถ้าพระเจ้าแหละปัจจารูร้ใช่ไหมครับ พอแล้วพระธรรมก็มันเป็นของเราด้วยพอพระรู้จักเราตารัสรูนะครับ <c oughs> พวกท่านเนี่ยมันคนอื่นที่ไหมตาชื่อ ต, าอ ต, าตา่างคนต่างชางกันมาจากสกุลต่ า, ต า, ตากันนะครับและมันอยู่รวมกันนี้นะเหมือนกับอะไรนะหญ้าใบไม้นะครับที่ถูกลมแรงมาพัดให้อยู่รวมกันนะครับเหมือนเป็นคนที่มาขดหลังนะเข้าอย่างไรเข้าก่อนนะครับเข้าถือว่าเข้าน่ะ อย่างนี้นะแต่ว่านะครับท่านสำคัญว่าพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เป็นของท่านแต่สําคัญพระสงฆ์ว่านะครับตั้งอยู่ในฝักใฝ่ายคนคู่เวรของตนรจรึงไม่กล่าวว่าพระสงฆ์ของเรานะครับไอ้ว่าผู้กระทาก็ขอ <c oughs> ขอเราพระสงฆ์นี้ม่เอานะครับมาคอยม่าคออะไรนี่น ะ, ะว่ากับตัดเศนก็ไม่ชอบหรือว่าเป็นคู่เวรเลย <c oughs> บรรดายรสุดเมียนพูดมากน้อยสินโดนะครับสั่งว่าแข่งพระดิียนบุตรนา ว่าฉนัยท่านพระสันนัตอิสุทธั้งหลายว่าการอยู่ถกทางธรรมจึงได้ทาตนให้เป็นผว้ภัยใครๆว่ากลาวไม่ได้และกาวเนื้คอคันเหนื่ียเมืมาา่อพระเจ้าตอนที่พุทธองค์ยังผมงบัชนอยู่เนี่ยก็ไม่มีใครไปว่าสาวตัเกเสียงอะไรกะได้แต่ก็ไม่เชื่อนะพนาะพยจ้าอยู่เขถีว่าพเจ้าขงเขนะครับเพราะเขายังดื้อแบบนั้นอยู่ขณะใ น, นสุขสีเสียอะไร น, ะนั่นในสิทธาบุนี้นะครับที่ อ, ทองก็เปิดชิงสงสงสอถาม ะ, ะนันน แล้วสง่งติดเตียนนะคะแล้วก็มาหยาดถางบุญนะครแต่พระสันนัตก็กยังเหมือนเดิมถึงพระพุทธเจ้าติดเตียนแล้วนะครับตงหลังแกก็ยงงนะนะังไม่นั่นนะหรือไม่หายนะครับนู่นแหละจอมพุทธจ้าจอมมินธานี่ะครับถึงจะทําได้พระพระองค์ใส่ผ้านอนใช่มให้ลงพรมทานพระสันนะใช่ไหมครับหลังจากพุนิพพานนี่แหละถึงจะงว่าอะไรแกได้นะให้นงนพรมทานพรมทานคือยงไงนะครับ ไม่ใครไปยไม่ใครไปเลยไม่เครไปยุ่งอะไรที่มอนกายจะทำอะไรที่มันจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่นช่ไหมไม่ต้องไปสนใจไม่สมัยบ้าขาดคำเตือนครับก็ปล่อยไปเลยอืพอแกรู้ขาดนั่นแหละพอพานน์บอกเห็นใช่ไหมรู้ขาดรับไม่ได้เป็นลมเลยใช่ไหมรับโอ้โหว่าหนักเลยนะเอาเหมือนก็ว่าหนักมากถือว่าหนักจะรําไม่ได้นะครับเกิดจาความสมดสลของเมตตาตอนนั้นแหละนะ แล้วก็หลุดออกจากหมูเลอยู่ใ น, น, นกรรมฐานใช่ไหมครับปฏิบัติธรรมแล้วก็บรรลุปเป็นธรรม ค, คนอย่างนี้<ด>บรรลุได้นะครับเป็นธรรมดาเพื่อเคนส ม, มัเต็มที่นะครับ อ, อ, อ, อ่าครับเงสังคมมาเต็มที่นะครับเื่อใ้เราไถามี่านเ่นร้องให้โอ้ไม่รอานันร้องอไร้นไม่ร้องเหรอตาครับ แค่โอมทำมาฝังไว้เฉยไม่มีการร้องนะ่บไปนะครับอ๋อผมผมเห็นในรูปภาพร้องมันเป็นนะผแล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้บรรลุเป็นผ้าหางเป็นผ้านาคามีใช่ไหมครับต่อไปนะารับดูคาราทิบาร์ขึ้นมาเราดูใน กลางขาเลยก็ได้ครับหน้าหน้าก้าสิบนะข้อที่สิบสองอธิบายทุกประจากรสิขาบุตรพึงทราบวิริชาในสิขาบุตรที่สิบสองออกหม่คำว่าทุกประจักชาติโกแปลว่าเป็นบุคคลที่จะว่ากาตัดตื่นไม่ได้ขยายความว่าไม่อาจที่จะพ่มพสอนได้ว่ายากขนาดนี้นะใครใคยเจอคนว่ายากขนาดนี้ ะะอ่านเคยเจอกันนะะน <c oughs> บอกไม่ได้แน่นําไม่ได้นะครับ <c oughs> คำว่าสุเทสตริยาปเนตุความว่านับเนื่องคืออย่างลงในอุเทศหมายเขาว่าตากเปลี่ยนด้วยสีขาวบนมันยันนะครับที่อยู่ในอุทเอนลลทนอะไรอธิบายว่าเป็นไปภายในตาอีโม พอท่านส่งข้อไว้แล้วอย่างนี้ว่าพิสูจใดต้องอาบัตรพิสูจนนั้นควรเปิดเผยอาบัตรก็มาดึงสิข า, าบทั้งหมดแล้วนะที่ข้าวเพราะว่าการตักเตือน่ะสิขาบทนั้นก็ถือว่านําันเป็นปาร์ติโมกนะครับคําว่าสารธรรมิการรมุจจานโนใช่ไหมความว่าถูกพวกพิสูจตักเตือนโดยชอบทำเนี่ยจะมีสารธรรมิการใช่ไหมก็คำนั้นสารธรรมิกา ร, ร เป็นพิทยาวิพัฒนลงในอันเหตุจึงได้ความว่าพิสูจตุ่มตังเตือนอยู่ด้วยสิกขาบทที่พระพุทธเจ้า ท, ทรงบัญญัติไว้แล้วที่ได้ชื่อว่าหาธรรมนะครับเพราะเป็นข้อที่สามธรรมิกทั้งห้าต้องศรรึกษาหรือเพราะเป็นของสามธรรมิกทัห้านั้นนะครับต้องศึกษาที่นี่หมายถึงต้องปฏิบัตินะครับเรคือปฏิบัติเหมือนกันร่วมกันนะั่ ปิฐานบทบัญญัตินี้เรียกชื่อว่าหน้าคํามคำว่าวิรัติานยะสมันโตมามาวัจนายะมีคําอธิบายว่าท่านังหลายว่ากล่าวผมด้วยคําใดท่านังหลายจงเริ่มตั้การว่ากล่าวผมนั้นอยากกล่าวคํานั้นกับผมผมไม่ชอบอะไรนี้นะเรื่องผมอันนี้ลำบากครับเอามันทีเดือดปดนะ ดีเขากลับมานะครที่บอกว่าทําที่ทําให้คนเป็นคนว่างายใช่ไหมมันพีว่าถจะพูดแล้วนะครับทําไมคนนี้จะเป็นคนว่างีา่ยไนะนาอะไรบอกไม่ได้เลยมันมีเหตุ น, นะครับมันกเกี่ยวกับอา่ากิเลสอะไรนใจเข้าแหอะนะสุดท้ายเขาเป็นคนอย่างนั้นนะครับถ้าเจอเปิดตาก้อนหน้าหกร้อยหกครับหกร้อยหกยอดหน้าสุดท้ายนะครับ ก็บริบตึงทราบําหล่อนี้ว่าไม่ใช่ติดหกเลยมีสิบเก้าอย่างนะสิบเก้าอย่างอันนี้นะคิดวาบากคนเป็นคนว่ายากครับคือความเป็นผู้มีความปรารถนาลามกมีความปรารถนาชั่วหาต้องการให้คน อ, อื่นยกย่องตนในคนที่ไม่มีจริงนะครับอันนี้บางคนก็ว่ายากเหมือนกันเนะข้าใจปรารถนาแต่อย่างนั้ น, นครับต่อไปสองความยกตนข่มผู้อื่นนะครับ อันนี้มานานมานอะเห็นไหมสัมม า, า, าทิฏฐาเลายนะไม่ต้องข่มผู้อื่นมีใครมาเตรียมก็ไม่ว่าต้องการเสริมต่างๆขง่มคนอื่นอย่างเดียวนี้ใช้ไม่ได้นี่รักษาความเป็นคนมักโกรกนะครับมั่กโกรกที่โกรธให้ว่าอะไรไม่ได้ น, นี่หมดเลยนะครับนี่ก็ไม่ได้ความปลุกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุนะครับปลุกโกรธก็คืออะไรอันเรื่องเก่านะแกโกรธ แกงลงอยู่นะเขาแกโกลหลายหลาครั้งครับปุกโกลเลยครับอ่ามันขุณไม่หายนะยต่อไปต่ <c oughs> อไปท่าความเป็นผู้มักระแวงเพราะความโกเป็นที่<ม>พเพราะที่เป็นโกและระแวงเนี่ยว่าเขาจะมาหาเรื่องมาอะไรใช่ไมใช่ไม่มีเมตตาอะไรบ้าง น, นะครับใครเจอเนี่ะบางคนก็แบบโห้สุดโตกันไปนะใครว่าอะไรไม่ได้เไยคือเขาจะไม่ชอบมี ใ, ใครมาว่าต่างตืงต่างเตืออะไรกันเลยเท่านัา้นนะครับ อ้าว่ามีแต่โทรสาวมาหน้าทิชชูมาข่มมาอะไรกันนะจะมีแต่พูดเรื่องอย่างนี้นะครับผมคงเคยเจอนะไม่ใช่ท้าวาเราหรือเจตีเข้าจะพูดแต่เรื่องนี้นะทั้งที่มันยีงไม่มีใครมาว่าอะไรอย่างนี้คนระับมึงพูดไว้ก่อนนะไม่มีเมตตากันอะไรกันว่ากันใส่กันอะไรอย่างเดียวนะแย่นี้ั่ไม่ใช่แล้วแต่นี่มันก็แบบโอ้โหนะเกินใส่พูดขึนเอง ใช่ใช่เขาเหมือนกับไม่ใช่เวลาคุยอะไรกับเพื่อนไงเขาจะพูดถึงค่าที่แครงที่อะไรเนี่ยมันมีเมตตามีอะไรนี่นะครับ น, น, นะท่านผู้ชนะไอพวกนี้แบบสุดต่อเกินนะอันนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับสุดต่อค่าที่มีดีไงไอพวกนี้นก็อ่าเด จ, จ้าจ้าเเครงเงข้าชบ้านอย่างนี้นะนะครับไม่ได้เเครงต น, นงงมีแต่จำปิดเแค่งก็มันจะอยู่ในนี้ก็ไม่ถูกครับก็ต้องพอดีดี ถูกทำถูกต้องที่ท่านว่านนะทีนี้นะ่ะคนที่จะเป็นโจอะไรคนอื่นได้นะ่ะอย่างน้อยตัวเองต้มีความพืดดีก่อนนะครับทั้งสามขานนะตาตาใจตาจาเป็นบบพื้นดีนะครับไม่ใช่ตัวเองแบบอินเดีเคคานะครับซ้ำรั่วอะไรก็ไม่ได้นะครับเด็กก็ต้องขนะ้อนนะั้นคนนี้อะไรอยู่เรื่อยนะคนก็รู้แล้ ว, ว่าเป็นคนอย่างนี้นะครับแด็กได้ชอบไปเที่ยวโจคนอื่นเือะเกินนะ นี่างนี้คนนี้คนนี้ไม่คุสมบัติที่จะไปจดผู้อื่นนะคร mm ับ hmm. เพรามื่อไปจทผู้อื่นปุ๊บเนี่ยคนนั้นก็จะว่าคืนได้ใช่ไหมครับอ้าวท่านไปดูความที่ขตัวเองก่อนก็แลาวกันเนี่ย mm hmm. ท่านทาได้นี mm hmm. ไม่ยากแต่ตอนนี้ไปดูคนอื่นเนี่ย mm hmm. ขาอะโนว่าอย่างนี้ได้คนละคะ น, กนก็ต้องต้องดีเหมือนกันนะนะครับนีนะครับต่อไปความเป็นผู้เปล่งวาจากใกล้กับความโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุ แรงโกรแล้วนะพอคำพูดออกมามันก็แบบจะกระทบกับขั่งอะไรนี่นะครับใกล้แต่ความโกรธความกลับเป็นพูดโต้เขียงโจ๋เขียงเลยนะไม่อ้อมนะครับท่านบบนั่นแหละท่านกลนอย่างนีนอย่างนี้นะถ้าไปนะครับความพูดกับลูก ง, งาโจ๋น ะ, ะอันนี้หนักไปยังไงนะปักปั่มนะครับว่าเลยเมื่อกี้เขียงแตอันนี้ปักปั่มเลยอ่าลูกลูก ง, งานนี่ย น, นะครับ ก็คือไปว่าแส่ข้าวหรือเนนะืความผูว ก, กลับปรับปรำโจ้ะะเลื่อนจีใช่ไหมไม่ว่าความกบเรื่องอื่นเ ร, เรื่องอื่นนะครับอันนี้นะคนนี้ก็ว่าย่างนะครับกล่อเือนนะไม่ยอมร่านะครับดิ่นไปลิ่นมากล่อเขื่อนนะครับ <ขอ S 1> ความเป็นหุ <ขอ S 1> ่นครับ ท่านพูดเรื่องอะไรอันนี้ก็อครับลักษณะว่าเอ้ยท่านพูดอะไรผมไม่รู้เรื่องเลยผมต้องอ่านบราณแบบไหนไปทำเมื่อไหร่ไม่รู้ท่านพูดกับใครเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยคราวท้องลักษณะนั่นแะครับหรือเป็นลักว่าพูดเรื่องอื่นเลยทุกเรื่องเลยครับในดีกาเอาถึงขนาดนั้นเลยนะครับอ้าวท่านไปทําอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อเมื่อช้าเลยผมไปวิทยาบาลมาครับ ผมไม่ได้ถามว่าท่านไปบินชะบาไม่ได้ไปผมไล่ไกาย่างไกาย่างด้วยครับอันี้นะไลก่ยางเอผมหน่อยยงนี้เขาเลือกกบเล็ดนั้นนะครับที่เคยเจอมาก่อนผมเคยล่ฟาร่มนะที่ว่าพระเขาท่านติดบุหรี่นะครับติอย่างมากเลยแล้วพระเจ้าหน้าที่ก็แล้วก็ติดกาแฟเอากาแฟดีท่องมาฉันรู้สึกว่ามึงก็เด็ดเป็นเวลาพิการด้วยนะ ติดขนาดานั้นนะครับเราไม่ได้เลยถ้าต้อติดคูรีติดกาแฟติดยาหนัะนะครับติดเยอะเลยนะนะแล้วเป็นผ่ารุ่นต่อก่อนเลยติดที่นี่ออใช่ท่านติดหมอนแหละทีนี้พชัชนาที่ก็ก็จะไปตรวจค้นอ่ะมันมีอะไรอะไรนี่นะครับในายาท่านในอะไรท่านอ่ะท่านก็ไม่พอแต่ก็โกรธตวาดไจนะครับก็เป็นแลบบนี้ ค์เยอะเงินฝักถึงร่างนะผมไม่ไม่แน่ใจะ่ามาหาถึงร่าหรือยังนะ<ม>ตอนนี้ภาษาเยี่ยมมากครับทีนี้ก็เลยมาประชุมส่งนะครับส่งประมาณสอบถามนะครับถามไม่ท่ามาท่านพยายามกดเกลือ น, นะครับเลี่ยงหมดเลยนะแค่าถานเรื่องบุ ห, หรี่นี่แหละท่านดูดไม่ดูอะไรยังไงยังมีไหมท่านบอกว่าเนี่ยในสมองท่านฟังไมโครชินนะครับท<ม>ําพูดเรื่องนี้นะมาคุยเรื่องอะไร<ม>ฟังไมโครชอยู่ รู้หรปล่าทนมาที่ท่านาเพื่ออะไรเพื่อมาติดต่อคณะพะราชวังเนี่ยพราะรู้ความว่างประร <laughs> เทศอ่ไหมเจี่มันมันลบดแล้วนี่ัหละนนะขนครับผมมคนขนเรื่องเลยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องบหีมั่อะไรเลยครับเข้าว่าเข้า่าาว่า้เ่า่เว่า้่า่า้เข้า่า้ แล้วอย่างนี้หลักานเป็นมันเป็นเศษเสียที่เขาจะต้องยกมาคุยเป็นมายาสีจะเป็นอพบาอิมเปโลครับนะหรือว่าติดหรือว่าันกล้ามคงจะต้องอยไรมาทำการนะครับอมาทกาแต่ว่ารุ่นนั้นเนี่ยคุยไปคุยมาก็อย่างนี้แหละแล้วเวลาผู้พูดไปเนะ่ยเขาก็นิ่งหลักสร้างไปเขาก็นิ่งแล้วไม่ยอมพูด มันโดนตังค์คนในอันยอบอากาศด้วยวิเศษสจากรทุกหมดเลยนะครับทั้งกกเกินทั้งไม่สงสารบ้างนะครับแล้วนี่ทํำยัำยงไงบางทีก็บอกว่าถ้าไม่มีเม่ตามแต่จำไม่ต้องมไม่ต้องมาพูดหรอกก <c oughs> ็ว่าสอ <c oughs> <c oughs> อย่างนี้นะครับโอ้ยหนักใจเลยนะ่ <c oughs> มันก็เลยไม่ได้ ค, ค, คว า, ามาจริงไม่คิดเพราะท่านทำแต่อย่างนี้นะครับก็เลยตอนนั้นตอนนั้นก็นอกก็ไม่ค่อยออกเลยไม่ดีนะครับอะไรที่ออกที่ที่หอถ่านเก่านั่นแหละ อันนี้เขาสร้างใหม่นะครับท่านก็ไม่ม่เลยก่อนก่อนที่จะมาที่เพื่อนมาท่้นก่อนจอดไปก็ยังไม่เบิกเบอรเอาเงินไปสำนักสำนักให้แค่มีใบก่อนหนี่ยแต่เขาเบิรเอาเงินอาจารย์ปายมีก็ไม่ให้นะครับยอมโรตีสงสารก็เลยให้ไปไม่รู้เหมือนว่าจะห้าร้อยดีกว่าครับเอาขึ้นรถไป และก็ม่มาเลยครับ oh. นี่นะ <Yeah. S 1> แหละเชล่ออะไรแบบไม่บอกหรือเกล่า <Okay. S 1> ต่อไปมครับอ่าความเป็นผู้ไม่พอใจต่อเรื่อความประพฤตินะครับคดแสดงกิริยาฟักตัณเปี้ยนะครับพูดอะไรออกมากบ้างนะทำนองอะไรบ้างนะความเป็นผู้รบอบลูปตีเสมอครับ อ, อันนี้ก็หนักนะ รอบดูดีเสมอท่านตีเสมอท่าเสร็จแล้วครูบาอาจารครับเขาว่าตอนแรกคูงตีเสมอเป็นลักษณะนี้กันนะนะครับรอบดูดกาตีเสมอตอนแรกจะตีเสมอแบบนะ้นทำตัวเองว่าให้เท่ากันมันก็เดินคู่ลงไปอย่างนี้ครับผมพอตีเสมอต่อไปจะเการรอบดูดครับรอบหูดค่อรอบูดความดีนะนะครับอาจจะรูปหัวจะอะไรนี่แหละนะครับไม่ไม่ใช่มือนะหมายถึงว่าจิตใจนะ ไม่ได้เห็นว่าเขามีคุณเข้ามีอะไร น, นะครับถือว่าตัวเองสูงตัวเองแรงนี่เลยเขาบอกว่าคนที่รับหนูคูบาอาจาย์เหมือนกับอะไรนันได้ยินตอนนั้นมีทีหนึ่งผมโกร อ, อาจารย์อาจารย์ว่าอะไรถ้าคาไม่พอใจโ <c> ห <oughs> ้ด <c oughs> อะไรหล า, หลาันเลยนะก็ยดีไปได้ยิน<ม>แท่นนะครับเขเปิด น, นะมีวัดปาเขาเปิดเคร่งขยายเสียนะครับ แล้วก็จะพูดถึงคนที่อยากรบกวนครูบาอาจารย์เนี่ยนะเขาจะบอกว่าเหมือนกับคนที่เอาใบบวัวติดท้องฟ้านะครับถ้าอยากเอาใบบวัวติดท้องฟ้ามันไม่สามารถที่จะปิดท้องฟ้าได้มันติดได้ติดได้แต่นหนา้าตัวเองเท่านั้นแหละครับ <c oughs> โอ้ซื้อเลยนะแตนน่นั่นนะครับโอ้เนี่ยเราเนี่ยหน้าดูเราน่าก <c oughs> ัวแต่ไมกลังเม่กลัจะแอบนะเออครับมันก็เลยหายอย่างก็รู้วไม่มีนะครับ ก็เหมือนกับคำส่วนหนึ่งภาษาไทยว่าชาญตายตัวเอาไปปุ๊ิดได้ไงได้ไงได้ไงเรื่องนี้ครับเหมือนครับแว็ควาหมายความหมายน่าเหมนปิดไม่มิดอันนี้หมายถึงคุณยันจะลบหูปิดน่ยว่าคนนี้ไม่ได้มีคุณไม่ได้มีอะไรนะนะไม่เอี่ยงเราเราเก่งขึ้นมาเองอะไรขึ้เองนี่นะตัดตัเอ่ายไ้หนะ ตอบมาประี้ครับให้จบตรงนี้แล้วกันนะครัว่ายาก่ยขีด้าข้อนะความเป็นคนลิศยาขี้ลิศยาอิจฉาตาร้อนก็ถ้าเป็นคนว่ายากเลยนะครับเราไปส่งข้อแล้วกันนะครับงจว่ายากเลยลิศยาั้าเปนคนว่ายากแล้วก็ความเป็นคนตะหนีอะไรอีกข้อนะคนตะหนีก็ถ้าเป็นคนว่ายากครับผมว่าเข้าใจนะเมื่อลิศยาเนี่ย ถ้าเข้ามาเตือนแย่ออรเรื่องเนี้แกก็จะไม่ยอมนะครับมีคนจะหนีนะให้สารบุริจามาอะไรบ้ า, บางเขไม่ยอมเราไปสงเคอาะห์ก็แล้วกันท่านผมไม่แน่ใจนะความเป็นคนโ อ, อ้อวดเจ้ามายาอ๋ออันนี้ชั้นที่โ อ, โ อ, อ้อวดแล้วเจ้ามายาภาษาไทยนะอันนี้ความเป็นคนกระด้างดูหมิ่นผู้อื่น อ, อันนี้หนักเลยนี่น่าจะใช่นะท่าทัษณะกระด้าง น, นะครับมาจากมานะก็ได้ทิฏฐิก็ได้ ดูอีกผู้เนี่ยไม่ได้รับฟังเลยนะครับไม่รับฟังเท่านั้นนะเขาจะพูดเขาจะอะไรไม่ฟังแล้วไม่สนใจไม่ใส่ใจเลยทั้งที่มันทีมีเหตุมีผลสมควรนะเพราะความที่ตัวองกระด้างด้วยมันน่าที่จะมีกำลังนะครับมันจะตถือว่าวเัื่องดีกว่าสูงกว่าเหนือกว่านะคนอื่นพูดอีกทีไม่ฟังเลยอันนี้หนักนะนนี้หนักความเป็นคนถือแต่ความเห็นของตนอันนี้สุดโต่งคนนี้อ่าเด็กชายเป็นคนตนเองดีนะฟังใครหรอ ความเปคนถือน <ítulo> po ั้นนะครับดจึงจะถือนั้นแต่นั่นแหละนะความพูดถอนได้ยากนะโอ้นี่หนักเลยอย่างนี้นะครับอันนี้บอกว่าอนุมานแล้วในอนุมานสูตตาลำดับก็ไปดูวัตการนั่นในพระสูตรอนุมานสุตนะครับขันต้องการรายละเอียดพิสดารนั้นไปดูที่นนนะครับโดยในมีว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายก็ทําอันทันฟ้าเป็นคนว่ายากเหล่านัยดูความพิสูจน์ทั้งหลาย ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายที่สุดในศาสนานี้เป็นผู้มีความปรารถนาลางมกดำ น, นี้แต่งอับ oh ผู้ใดไม่อดไม่ทนโอว่าเพราะฉะนั้นผู้นั้นชื่ออัคขมบ mm hmm. ผู้ใดเมื่อไม่ปฏิบัติตามที่ท่านร้อสอนไม่รับอนุสาสนีโดยเบื้องขวาคือโดยคารบทเพราะฉะนั้น mm hmm. ผู้นั้นชื่อว่ามีปกติไม่รับโดยเบื้องขวาซึ่ง อ, อนุสาสนี mm hmm. น, นี้ก็ได้ครับ ก็าจบไว้แค่ทำให้ทำมีคนว่ายากก้าวอยู่หน้าหกไม้หก ในท่าที่สุดขอความเจริญงอกงามไตรมิตรเขาพุทธศาสนาจนมีแต่ทุ่งหมายด้วยการทุทติธรรมเชื้